ความจริงที่มันเป็นต้งมันอย่างอย่างธรรมะที่เป็นส่วนของสังขารกับธรรมะที่เป็นส่วนของวิสังขารวิสังขารคารหมายถึงปัญ น, นิพานสังขารก็หมายถึงสังขารธรรมทั้งหลายที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งได้บางแห่งก็เเรียกว่าสังขารธรรม หรือบางแห่งก็เรียกว่าสังขต ธ, ธรรมนี่เรีสังขารทัว่วไปสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันมีปัจจัยเข้าไปประชุมปรุงแต่งได้คำว่าประชุมปรุงแต่งทำให้มันเกิดดับสืบต่อได้ทำให้มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และมันเป็นไปตามกิจปัจจัยนี้ในสภาพที่โดยเฉพาะสองประการแรกก็คือเป็นไปตั้เกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลา แล้วก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สองอย่างนี้เขาเรียกว่าสังขารหรือเรียกว่าสังขารธรรมก็ได้ธรรมที่เป็นธรรมที่เรียกว่าสังขารหรือเรียกว่าสังคาต่ธรรมธรรมที่มีปัจจัยทั้งหลายมาประชุมปูแต่งอันนี้คือสังขารที่มีใจครองเออสังขารที่มีใจคลองก็เรียกอีกอย่างมันก็เรียกอีย่ก็คือ ถ้าสังขารที่มีใจคลองก็กลุ่มของสิ่งที่มีชีวิตแต่สิ่งที่ไม่มีใยคลองก็มีนะโต๊ะเก้าอี้ภกเขาต้นไม้หนึใจคลองไม่หนึงอันนี้เป็นอเป็นสังกตดธรรมที่ไม่มีใจคลองเป็มีชีวิตแต่ไม่มีใจคลองเขาไม่เรียกชีวิตเขาไม่เรียกชีวิตทางทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าชีวิตแต่ทางธรรมะถ้ามีชีวิตไมายถึงมีจิตวิญญาณ อันนี้เขาไม่มี ม, มันจเจริญเติบโตได้ด้วยอาหารและอุตุมันไม่ได้เจริญเติบโตได้ด้วยมีชีวิตไปกํากับว่าจะต้องโกรธต้องโลภต้องหลงมัน ม, มีความรูสึยนั่นคือที่บอกในใจใช่คนสับใช่อันนี้อย่างสังฆต ธ, ธรรมธรรมที่มีปัจจัยปง ส่วนอาสังก็จะทำทำได้ไม่มีปัจจัยปรุงอันนั้นขับเน้ไปที่พระนิพพานอย่างเหมือนคาวิสังขารอันนั้นไม่มีซึ่งมีเกินเกิดตับสิทต่อเขาก็เป็นของเขาเองนะใช่ไหมเขาก็เป็นของเขาอยองไม่เป็นอัตตาตัวตนไม่มีใครไปวงการไม่มีใครไปเบื้องาเป็นฉากเขาเป็นอนัตตาแต่เป็นเป็นภาวะที่เป็นความเท่นแท้แน่นอนเป็นภาวะที่ไม่มีไม่ไม่เปลี่ยนแปลง อยในสภาพเดิมอยังไงก็อยู่แต่เขาเป็นอนัตตาที่ไม่ได้เป็นตัวตนไม่มีใครไปครอบครองไม่มีใครประวงการไม่มีใครไปบัญญัติไม่มีใครไปเป น, มมป ร, ปเนรมิตขึ้นก็ เ, เป็นเล้วก็อยู่อันนั้นคือพาลิภามซึ่งภาวะตรงนั้นแหละที่พุทธศาสนามองว่าเป็นจุดหมายที่จะต้องเข้าถึงรู้ถึงทำให้ไปจับแจ้งขึง้นมาได้การได้การเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีการเกิดแบบ สืบต่อแต่มีเป็นไม่หมดตรงตัวตรงไม่ใช่แต่เป็นอยู่างนี้ไม่เปลี่ยนเมื่อเข้าถึงแล้วก็เข้าสู่ภาวะที่เชิงแท้งหรือเป็นภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นภาวะที่เข้าถึงบรมษมรสมย่างแท้จริงการมองนี้ก็คือกระแสชีวิตใดที่หยุดการสืบต่อกระแสชีวิตใด ที่ไม่มีกฎของความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์มันหมดภาวะตรงนี้ไปแล้วไม่มีการปฏิเสธที่ไม่มีการเกิดดับสุกต่อกระแสะชีวิตนั้นก็เข้าสู่ปรองมาสุขหรืพรนิพมันมีอยู่อย่างนั้นมันมีอยู่โดยภาวะที่มันมันไม่ใช่ตัวตนมันมีความมีอยู่โดยภาวะที่เรียกว่าเป็นปรองมาสุขแต่ภาวะลักษณะอย่างนี้ยมันเข้าถึงได้ด้วยการกําจัดกิจ กำจัดสมุไทยหมดสิ้นไปพอ ส, สมุไทยหมดสิ้นไปแล้วภาวะที่จะเกอะพบใหม่มันจะไม่มีมันภาวะการหยุดตั ว, วหรือเข้าถึงนะบรมสุขนั่นแหยัยงเรียกว่าวิสังขารมันไม่ใช่สังขารถ้าสังขารมันก็ต้องมีปัจจัยประชุมพุงแต่ถ้าเป็นสังขารมันก็ต้องเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเกิดดับกระดำเจอถ้าเป็นสังขารมันก็ต้องทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ถ้าเป็นสังขารมันก็ต้องเข้าสู่ในกฎความว่าไปบังคับบัญชาไม่มีแก่นไม่มีแกนมันเป็นไปาตามเหตุปัจจัยมนุษย์เนี่ยที่เราเข้าไปสัมพันธ์มมกับมันด้วยความไม่รู้ไปสัมพันธ์กับมันด้วยความยึดหยาบไปสัมพันธ์กับมันด้วยความยึดถือไอ้ตรงนี้แหละมันก่อปัญหาซับซ้อนขึ้นมาซ่อนเมามาา ง, องื่อนขึ้นมาก่อน ความไม่รู้ความอยากและก็ความยึดถือเมื่อไปสัมพันธ์กับมันด้วยความไม่รู้ด้วยความยึดอยากด้วยความยึดถือความทุกข์มันก็มากมายมันเป็นทุกข์ของมันเองอยู่แล้วในตัวมันเองแต่มันเป็นทุกข์เพราะความไม่รู้เข้าไปอีกเป็นทุกข์ด้วยความต้องการที่มันไม่สมปรารถนาเข้าไปอีกเป็นทุกข์ด้วยการยึดติดถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แต่มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการก็อีก มันเลยเป็นความทุกซับซอ้อนขึ้นมาจากการที่มันไม่รู้มองเห็นอย่างมันเป็นสัมพันธ์กันด้วยความไม่รู้มนุษย์ไม่ไปรู้เหตุปัจจัยไม่ไปรู้ความจริงทั้งสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นมามากมายจากปัญหาของธรรมชาติมันเข้ามาสู่ปัญหาของใจของมนุษย์ขึ้นมาแล้ว ม, มนุษย์ไม่เข้าไม่ไปรู้องค์ประกอบเหล่านี้ก็ตายกันใหญ่เลย แล้วก็เห็นกันอยู่นี่ความไม่รู้มันน่กูมันไม่รู้จะหนึ่งไม่รู้จะปฏิบัติต่อมันอย่างไรที่จะทําให้เป็นอิสระเสรีภาพนี่ความไม่รู้ความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้นะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะสิ่งทั้งหลายมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะถ้ามนุษย์ต้องการอยากจะเข้าใจความจริงตรงนี้มนุษย์ก็ต้องไปจับที่เหตุปัจจัยมันให้ได้ ต้องเข้าไปรู้เหตุปัจจัยให้ได้ว่าไอ้ผลที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันมาจากเหตุอะไรมันมาจากปัจจัยอะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงมันบีบคั้นมันเป็นไปตามสภาวะของมันอยู่อย่างเนี้ยมนุษย์ก็ต้องเข้าไปรู้เหตุปัจจัยมันให้ได้เมื่อมนุษย์ไม่สามารถไปพัฒนาปัญญาเข้าไปรู้เหตุปัจจัยมันได้มนุษย์ก็เลยกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาซับซ้อนขึ้นมาด้วยความไม่รู้รู้ไม่หมดรู้ไม่พอรู้บางส่วนรู้บางแง่บางมุมนี่แหละ มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทําอีกอย่างหนึ่งมันกลายเป็นกระทบ อ, อีกอย่างหนึ่งเนี่ยความรู้ไม่พอเนี่ยประเด็นเป็นอย่างนี้เหมือนเรารู้จั ก, จกเออกิเลส ข, ของมนุษย์ไม่พอรู้จักพฤติกรรมของมนุษย์ไม่พอรู้จากทัศนคติความเห็นของมนุษย์ไม่พอเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรใช่ไหมไม่รู้จะไปจับที่เหตุปัจจัยอย่างไงไปแก้ที่ตัวเหตุปัจจัยอย่างไรทั้งหมดเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการเหมือนกับการเป็นโรคเนี่ย มันคำว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้ไปแก้ที่ตัวโรคเนี่ยโอ้พอจะรู้เรื่องโรคเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ชนิดแลยวมนุษย์ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายเลยไปรู้ทั้งโหร่างกายทั้งหมดเลยนะรู้ทั้งร่างกายทั้งหมดแล้วก็รู้ระบบของร่างกายทั้งหมดเองนะทั้งที่มันไม่ใช่โรคเนี่ย แต่ไปรู้ว่าไอ้โรคมันเกิดที่แบบนี้กระแสชีวิตของมนุษย์ในร่างกายเอาเข้าจริงๆเนี่ยอย่างเช่นความวิปริตผิดเพี้ยนของอวัยวะทั้งหลายอลไรเนี้ยก็ต้องไปดูว่าเออสาเหตุมันมาจากอะไรนู้นไปแก้แก้จริงๆไปแก้ที่เหตุเห็นโรคบิดเออเป็นโรคอะไรต่างๆอะไรเนี้ยโรคท้องร่วงเออมันต้องไปกําจัดที่ตัวโรคเห็นไหมมันไม่ใช่ไปกําจัดที่ท้องนะมันจะเป็นจากที่กําจัดที่ลาไส้ที่สาเหตุมันนู้นแต่มันต้องไปรู้สาเหตุใช่ไหม เราเรียนู้สาเหตุเป็นเสร็จพบหนึ่งรู้จักในตัวโรครู้จักเอาก็าจริงก็คือว่ารู้จักตัวตัวโรครู้จักสาเหตุของโรคแล้วก็วางจุดหมายว่าจะบําบัดโรคหรือจะ ก, กําจัดโรคนี่ยังไงกําจัดเหตุที่ทําให้เกิดโรคจริงๆแล้วนะไม่ใช่กำจากที่ตัวโรคนะมเหตุที่ทําให้เกิดโรคด้วยแนละ้วแล้วก็วางจุดหมายวางกล้อ พอพอไปถึงข้อปฏิบัติจริงๆมันเหมือนคนละประเด็นไปเลยไปกำจัดถึงคนละเรื่องกันเลยดูแลสุขภาพร่างกายยังไงมีเชื้อเชื้อโรคมีอะไรต่างๆต้องกำจัดออกอยังไงเหมือนโรคกวดหัวเหมือนกันทำจริงๆเลยให้อาการปวดไอ้หัวมันมีอยู่ไหยสมองมันมีอยู่เอวมีว่ามีมอยู่ จะการปวดหัวนิดมากเออมันอาจจะเกิดจากการอยู่ในอุจจูระที่ไม่เหมาะสมใช้ยาปวดไม่เหมาะสมกินอาหารที่ไม่เหมาะสมโอ้มันไปแก้ที่ตรงโน้นวิธีการไม่ใช่ไปแก้ว่าไม่กินอาหารเนี่ยไปแก่กินอาหารที่เหมาะสมไม่ใช่ไม่แก้ว่าไม่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ไปแก้ว่าปรับยืนเดินนั่งนอนที่ให้เหมาะสมไม่ใช่ไม่แก้ที่อุจจาระเนี่ยเยืนเดินสภาพอุจจาระที่เหมาะสมโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะมาร์กในเรื่องใหญ่มากเรื่องวิธีการเนี่ย นี่เหมือนกันยังมีหลากหลายมากในหัวข้อคำว่ามาเป็นข้อลงมือทําพอไปเรียนรู้เรื่องอาลยสัตว์เข้าจริงๆเนี่ยไม่รู้กิจของอาลสัตว์ไปไม่เป็นเลยไม่ใช่เรียนมาที้ทุกข์นี้เห็นให้เกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ถ้ารู้แค่นี้ไม่พอต้องไปรู้ว่าเราควรทำกิจต่อไปยังเนี่ยหลักการตรงเนี้ยบางทีเราก็เรียนรู้กันไม่จบเรียนรู้กันไม่รอกบ เราควรไปไปฏิบัติจิตตอมันยังไงปัญหาเลอเมนรื่องมานั่งมือจ้าก็ฟังฟังด้วยมานั่งวิจัยดูบางทีเราอ่านหนังสือไปอะไรไปมันก็บอกไม่หมดความคนพูดมันก็พูดไม่ละเอียดเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้องี้ยคือมันก็ก็เต็มที่ตั้งแต่ละบุคคลเลยแต่เราจะต้องต้องอยู่แค่นั้นมันจะต้องสามารถ ทีนี้การที่เราเข้าไปสัมพันธ์เราสัมพันธ์ด้วยความเคยชินสัมพันธ์ด้วยปัญหาสัมพันธ์ด้วยมานาสัมพันธ์ด้วยที่ผีสัมพันธ์ด้วยความอะไรโอเป็นปัญหาตามอะไที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้หมดเรามองสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ยมองมนุษย์เคยไปสัมพันธ์กับอาหารไปสัมพันธ์กับอะไรเงี้ยไปสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยไปสัมพันธ์กับไอ้อากาศอุตุบุคคลโอ้โหมัน มันเป็นสัมพันธ์ด้วยความไม่รู้แล้วก็เป็นสัมพันธ huh <c oughs> ์ด้วยความต้องการอยากให้ม <c oughs> <c oughs> ันเป็นและสัมพันธ์ด้วยความยึดติดตามความเคยชินอาเรมณ์เสพติดไปสัมพันธ์กันมันใช่ไหปัญญาไม่ไม่ถ้าเราไม่ไม่สามารถพัฒนาปัญญาให้รู้เราก็เป็นสัมพันธ์ด้วยความไม่รู้พอเป็นสัมพันธ์ด้วยความไม่รู้ก็อย่างที่มันเป็นเป็นกันอยู่นี่แหละที่เรายหนเห็นจริงไหม กว่าจะเข้าใจมันยากเ ม, ม, มื่อวานมันมัก็คือโยมที่อยากทำโยมริงไก็โทรล้วก็บอกว่าเออเขาไปตรงนั้นตรงนี้อ่าโอ้นเนี่ยว่านั้นทำตรงนั้นตรงนี้ก็ก็พูดป่ารอบกันในตรงนี้ัป บางคนคือเรารู้ปัญหาได้อย่ันเป็นไรบอกว่าถ้าไปยกตรงๆเนี่ยเธอก็จะไม่ฟังเลยอยู่แล้วเธบอกเออเนี่ยตอนนี้นะธรรมาก็เริ่มมองสิ่งทั้งหลายได้ได้ได้ค่อนข้างชัดขึ้น มนุษย์เนี่ยมันมีระบบหรือมนุษย์ที่เข้าไปสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันเองมนุษย์ที่เข้าไปสัมพันธ์กับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือมันเข้าไปสัมพันธ์ด้วยความด้วยตัณหาพอไปสัมพันธ์ด้วยตัณหาด้วยความต้องการพอไปมองไปให้สิ่งนี้มากๆให้ตัณหามากๆตัณหามันก็ชอบใจในสิ่งที่ พอไปเห็นสิ่งที่เราไปสัมพั์นนะั้วน่ะมันถูกใจตัะหาักขึ้นมโอ้มันมันก็เลยกลายเป็นกลับเขา้าตนเองเข้าไปยึดติดในสิ่งนั้นถ้ารู้สึกตัะหามันชอบมากขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าไปมองที่บนคนุคคลโอ้โหก็ไปลำเอียงกับเราสันธากติมาเท็มหรือบางทีไปเห็น คนบางคนเขาปฏิบัติไม่ถูกไอในแง่นั้นเนี่ยแล้วมันรู้สึกเราเกลียดมากเราไม่ชอบไอที่เขาปฏิบัติถูกตังเยอะเลยไม่มองเลยทีนี้ยไปเพ่งแต่จุดนั้นน่ยทอษากติกินและจุสําคัญที่สุดก็คือว่ามองสิ่งทั้งหลายไม่ได้มองตามที่มันเป็นจะเป็นมองตามความรู้สึกหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ไข้ควรไม่พิจารณาไม่วิจัย แทนที่จะได้ทางออกที่ดีกลับไม่ได้มัไป็ประวัติสิ่งนั้นใจที่ได้อิสรศรีภาพก็กลับกลายเป็นมัวสติติบางทีก็ไปมองบุคคลที่ทรัพย์ไปมองที่ยศไปมองที่ชื่อเสียงไปมองที่สมมุติไปไปมาๆก็เป็นพยากติ์รู้ว่ากลัวเขาจะมาเกี่ยวข้องเรากลัวเรา กลัวเก็จะมาตำหนิเรากลัวอะไรนี้มันเยอะแยะหมดนักเข้านักเข้าอักติเยอะทั้งหมดเหล่า น, นี้มันก็อยู่ตรงที่ว่าเราเป็นสัมพันธ์กับโลกในชีวิตด้วยความไม่รู้ด้วยความอยากและความอย้และเราก็ไปทำกรรมกต่สิ่งเหนั้นไม่ถูกต้องแทนที่จะทำกรรมที่นาไปสู่กรามของผู้ ก็เลยทำําไปดั้วไปสู่ความทุกข์แมันก็เจ็บทำอะไรจะมากมายคิดว่าเราเป็นคนดีเรามีเจตนาดีเสอย่างของดีๆถ้าเกิดจากเราสิพอไหมพอไหมพอ ที่มีความเข้าใจชัดจะให้เหตุใจยะไงให้ความเข้าใจอันนี้มันต่อเนื่องหรือไม่ลดลงฟังฟังต่อเนื่อใครกวนต่อนีอน้แล้วก็ต้องคนที่จะเข้าใจตรงนี้ได้ต่อเนี่องคนคนนั้นต้องเข้าใจกระราตันน่าใยง ต้องมีความเคารพน้อมน้อมเดี๋ยวา็ไดแต่ถ้ย่านี้ย่เดี๋ยวที่ทีกินคนที่ให้แต่ความเห็นให้แต่ปัญญามา้างนะเข้านะเข้าเตลอดที่เรานะ เ, ะนเข้าการคนแข็งกระด้างก <laughs> ารคนไม่อ่อนโย น, น, นแต่เวลาแต่น่าแปลเสียงั้นต้องต้องอย่ายให้ใจกันได้ อ, อย่ายให้ใจหยาบอยห้ยใจหยาบกันนี่มีปัจจัยบางอันที่ ที่บับไม่ได้เช่นอุดตัวตร่างกายเวลาป่วยเวลาไม่สบายอันเนี้ยมีอะไรที่ที่เราจะตรงเนี้สองกันหรือเสริมยังไรเพราะเวลาป่วยหรือเวลาไม่สบายาแล้วการป้องกันการป้องกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีการรู้เหตุปัจจัยว่าอะไรที่จะมีเหตุปัจจัยทําให้ป่วย จะแก้ไขยังไงทางด้านรูปธรรมทั้งหะต้อ ง, อ ง, องมีความเข้าใจที่จะทําให้รูปธรรมมันดําเนินไปได้เยทานนนี้ก็ต้องฉลาดในการที่จะเรียนรู้ให้เหตุปัจจัยชัดรู้องค์ประกอบอยู่ในอุตุแบบไหนอาหารแบบไหนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างไรกระบว น, นการความคิดอย่างไรที่ทําให้ป่วยไม่ป่ว ย, ยทั้งหลายอันนี้ก็ต้องไปเรียนรู้อีกเยอะนั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเราเข้าใจความจริงแบบนี้ก็คือเวลาเห็นว่าความเจ็บป่วยมันได้ประโยชน์ ถ้าเราฉลาดในการที่จะอยู่นั่นเองต้องยอมรับ่าส่วนหนึ่งที่ที่ไม่ต้องเกิดในตำราเลยก็คือร่างกายจะมันสอนตลอดมันสอนมันให้ทำาแน่นําวตลอดลยความจริงที่มันแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความเว้ยล้าไม่ว่าจะเป็นความป่วยไม่ว่าจะสภาพร่างกายที่ ห, หวัวหอโหยลอยแ้งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น มันแปลเปลี่ยนทําให้เราได้เห็นมันตลอดเวลาอุตุกตัวไหนมันแรงไฟขาดไฟมันมีกําลังขาดลงมันมีกําลังธาดดินธาตุน้ำทั้งหลายตัาเนี้ยมันแปลเปลี่ยนมันวิพฤกตเพี่ยนยังไงการให้ยาบวไม่เหมาะสมโมันมันได้เรียนรู้เยอะเลยพอเราได้เข้าใจความจริงตรงนี้แทนที่มันจะกลายเป็นกายที่จะเป็นตัวขัดขวางปัญญากลับกลายเป็นตัวให้ปัญญาได้เข้าไปเรียนรู้ แล้วก็แก้ไขทาเหตุปัจจัยบ้างมันก็แก้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ที่จริงๆก็คือการวางท่าทีทางใจกับมันได้ถูกต้องชัดคือมันก็เลยได้ประโยชน์กับมันใช่ไหมแทนที่มันจะเป็นตัวขัดขวางกับกายมันจะได้ดี <c oughs> พอชัดไหมแล้วเวลาป่วยทำยังไงจงวางท่าที ไม่ละสวยไม่คือไม่ได้ทุกเพิ่มแต่จะอยู่ในลักษณะที่ว่าจะทำยังไงไม่ให้ไม่ให้โศกเกิดจะทำยังไงไม่ให้เกิดความังคาญหนดๆอ่อนอันนั้นคิดว่าสุดปฏิบัิเขาได้แต่ มันจะมีความมึนที่ไม่สามารถออกจากความมึนได้ความมึนมันมีสองอย่างมึนจากยากับมึนจากไม่มียาแต่ว่ามันมันชัดเจนว่าเวลาป่วยส่วนใหญ่นีน่ยก็คือหายใจไม่ออก <c oughs> <c oughs> พอหายใจไม่ออกเนี่ยถ้าพูดถึงตามเผ็กปัจจัยคือมันไม่ได้ออกซิเจนพอ <c oughs> มันก็จะมึน คินนดเลยไม่ออกคิดคินแล้วไม่ออกคือรู้ตัวว่าคิดไม่ออกฟังไม่เข้าอคือไม่ต้องคือฟังได้จะเปิดฟังจะรู้เลยว่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถใกล้วรต่อไม่สามารถแต่ฟังเพียงเพื่อประคอว่าไม่ให้อย่างอื่นเข้าอันนั้นได้แล้วแล้วตอนนั้นแก้ไขยังไงอันเนี้ยที่ไม่มีค่ะ ยังยังไม่หาทางแก้ไขไดไ้แต่ว่าแต่ว่าถ้าทำได้ก็คือฟังต่อเนี่ยฟังไปแต่รู้เลยว่าฟังไปเนี่ยมันจะเหมือนเสียงที่ไม่ได้เนื้อหาไม่เหมือนเวลาที่เราปกติที่เราสามารถจะจับประเด็นได้มีอีกอันที่ถ้าฟังตอนเวลานั้นคือฟังสวดมนต์ บทสวดดูเหมือนตัวนี้มีกําลังใจเหมือนเหมือนฟังเพลงอย่างนี้ใช่ไะเหมือนฟังธรรมาจากเหมือนบทสวดอะไรนะมันมอย่างน้อยมันก็แต่ว่าแต่ว่านี่คือขนาดไม่เป็นมากอนาคตถ้ามันเป็นหนักก็เลยคิดว่ามันไม่ปลอดภัยถึงได้พยานว่าไม่ ไม่ทานยาเพราะยาเป็นตัวที่ทำให้เงินมากกว่าอาการปวดตะเกียงพียเค ย, มยไมเคป่วยป่วยแล้วคิดธรรมได้ไม่ได้ถ้าทำไงไม่ได้คิดปลอ่อยเลยปล่อยปล่อยไหมเ อ, อ่ไม่ได้คิดเพราะปล่อยไปเลยเลยปล่อยให้กิเลกเกิดไปงั้นเ มันคิดอะไรไม่ออกอยู่แล้วมันก็ไม่ไม่ได้คิดนี่มันต้องคิดดิไม่คิดได้ไงจำ ต, ต้องคิดอะไรไปทั่วเลย ม, ม, มันไม่คิดเป็นไบง่ายหรอใช้มันเ้าหมองไห ม, ม, หมเศร้าหมองพครป่วยเ้าหมอง แนวเพลินมากกว่าคือมองไปมันไม่เห็นต้นไม้ว่าเป็นอะไรมันก็จะมึนนะคะมันออกแนวโมหะมี่ไหมคะคือมันคิดอย่างเมื่อวานเนี้ยเวลาที่นั่งอยู่โรงพยาบาลแลว้วพรอาจารย์พูด เ, เนี่ยระลึกได้ว่าเร า, อาปอนทีคุณนั่งไปเนี่ยมันเหมือนไม่มีมันจะมองเห็นพอพระอาจารย์ถามว่าเคยเห็นไหมว่าเป็นนักโทษกระหรัง มันจะเริ่มได้แต่ถามว่าคล่องนะไม่คล่องแต่มันจะเริ่มเห็นว่าอานี่ไงเราจะเลือกได้อย่างนี้เรามองเห็นอย่างนี้เราเลือกได้ได้อย่างนี้เราอยากให้เขาหายปวดอย่างนี้อย่างนี้มันได้เขามีพระอาจารย์สะกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้สะกิดเนี่ยความคิดมันจะ <c oughs> ไม่มีอะไรที่ทเป็นกุศลขึ้นมา คำว่านักโทษปาะหาความรู้สึกที่ไปเห็นคําว่าเป็นนักโทษปรารมันเห็นแบบเข้าใจไหยที่เคยเห็นเห็นนายเห็นแบบเข้าใจไหมเห็นโดยสัญญายังไงคําว่าเห็นด้วยกันเพียงแต่ว่าไม่มเข้าใจตอนนั้นน่ะ ไม่เข้าใจว่าทั้งไมท่านถึงพูดอย่างนี้ก็เลยหาความหมายบอกว่าเห็นเป็นโทษนักโทษประหารเข้าใจว่าเราติดอยู่ในตาหูจมูกมือกายใจแล้วไม่เป็นอิสระต่อตาหูจมูกมืนกายใจนี่คือในสัญญาที่ผมจำได้คระมยมบีเห็นยังไงทาบรินนักโทษก่อที่เห็นคือเห็น เห็นไม่ผิดกันจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นว่าเรามีความตายข้างหน้าแต่ไม่มีใครรู้ว่ามื่อเพราะฉะนั้นเห็นแล้วมันมันถูกตัดสินนี่ยังถูกตัดสินไปแล้วจริงจริมันถูกตัดสินแล้วถูกตัดสินแล้วนี่แสดงยังไม่ไม่ชัดตรงนี้คือประเด็นอย่างนี้อ่า ตอนที่เขานักโทษก็จะไปฆ่าอืเคยดูสารคดีเขาเอาอาหารให้กินอาหารให้กินกินเสร็จแล้วก็จะฆ่าก็จะไปยิงไอ้นี้กินไม่ได้เลยไอ้นี่กินไม่ได้เพราะมันรู้มันจะถูกฆ่าแล้วก็เอาพามาเทศห้านาทีสิบนาที มันฟังไม่รู้เรื่องเลยบ้าเดวนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาไปฟังไม่รู้เรื่องมันัวตายมันแล้วพอเขาจับลากไปมันร้องดิน้นร้องร้องแบบหมดสภาพเลยเนี่ยเขาเดินไม่ได้ก็ต้องลากมันไปเราเนี่ยมันถูกตัดสินแล้ว พอปฏิสนธิปุ๊บนี่แหละความตายมันมันมันมัดมันติดติดถันมาด้วยติดกระแสชีวิตมาเรียบร้อยแล้วอันนี้มันเป็นมือสุดท้ายก็ได้เนี่ยเนี่ยถุงเนี้ยแต่มันไม่มีจิตสํานึกมันเลยกินอย่างอะไรอร่อยไงมันไม่มีจิตสํานึกมันคิดว่ามันไม่ตายยังไม่ถึงเวลามันแต่จริงๆแล้วมันไม่รู้เรื่องเลย ว่าเราจะเข้าคิวต้นไหนนแต่มันถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมมันถูกตัดสินแล้วที่มันนั่งกินกินกินกันอยู่เนี่ยมันกินด้วยความยึดติดมัวเมาเพิดเพลินไปสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ด้วยตัณหาด้วยวิชาด้วยความไม่รู้แล้วกินเข้าไปก็กินเข้าไปก็ไม่รู้เลยว่าขณะต่อไปเขาไปฆ่าแต่ทีนี้ พอขณะนั้นยังไม่ถูกฆ่าคนอื่นก็โดนฆ่าไปก่อนโดนฆ่าไปก่อนเราเลี้ยงแถวอย่างนี้นเราเลี้ยงแถวไปอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันนักโทษประหารเขาเห็นอย่างนี้บางคนมันเปิดประเด็นปัญญาไม่ออกไงครับมันโทษประหารเนี่ยมันไม่เบี่งเห็นอะไรนะมันเห็นความจริงตรงนี้เลยเนะี่ยความจริงตรงนี้เลยว่าเราเดินเลี้ยงแถวไปเลี้ยงแถวไปอเผอิญเขาจะฆ่าเราอยู่แล้วคนอื่นมันสลับบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยถูกใจไหม เราไม่รู้เวลาแต่เราเนี่ยมันคือนักโทษคือนักโทษนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้เลยทุกยาเก้าวที่เดินก็ถูกเหมือนกับการถูกจูง้าถูกหลักประหารเลยนอนอยู่มันก็เดินไปยืนอยู่มันก็เดินไปใช่ไหมละ่ะเวลาเนี่ยมันหดหดงวดเข้าไปเื่นยนี่คือความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่มนุษย์ไม่ค่อยควรตรงนี้ก็มัวไปคิดเรื่องอื่นเลยนะแต่คิดกลัวไงกลัวด้วย กัวด้วยประมาทด้วยก็อย่าไปคิดมันคิดถ้ากลัวต้องคิดทุกขณะเนี่ยกลัวนะ่ยบางคนจะกลัวตายเลยครับกลัวเลยกลัวเลยลองคิดดูสิว่าโอ้มันนักโทษประหาร น, นี่ว่ะนี่ไอ้นี่ก็นักโทษปะหาร น, นี่ก็นักโทษประหาร น, นักโทประหารหมดเลยเนี่ยไ อ, ไอพวกนี้นถูกประหารมันถูกตัดสินหมดแล้วแต่เดินรอคิวกันอยู่นี่แหละไปจะฆ่าก็าตัดคอปึ๊ดปึ๊ด พื้นพื้นอยู่นั่นแหละก็เห็นอยู่ได้ข่าวอยู่อะไรอยู่แต่ปัญญามันไม่ทํากิจใช่ไหมมันก็ไม่เห็นถ้าปัญญาทำกิจจริงจมันเห็นเลยเนี่ยเนเห็นด้วยต่มันไม่ได้เห็นตลอดขอใมันเห็นเธอการเห็นแบบนี้สําคัญที่สุดเห็นแล้วมันจะโอ้ยคําว่าสังเวคาทำว่าสะเทือนสะเทือนขึ้นมาเนี่ยเห็นความสะดุ้งสะเทือนขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมันจะเห็นเลยว่าเราเราควรดําเนินชีวิตยังไง คนดำเนินชีวิตยังไงแต่นี่มันจะเข้าใจแล้วเราควรดำเนินชีวิตยังไงที่เหลือที่เหลือเราควรดำเนินชีวิตยังไงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรารู้ตรงนี้เราจะไปบอกลูก ม, มันไม่ใช่<ม>ใชเลยไปบอกเพื่อนไปบอกคนนคถึงใรเลยะแต่แต ย, ยังมันมีกรุณาเกิดว่ามันไม่ผิดกันแต่ละคนแต่ก่อนยันคิดผิดไง เดี๋ยวไปบอกเขาเขาจะได้รู้ตัวบอกเขาจะได้รู้ตัวเ<ม>ดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วปล่อยหัวมันแต่ละคนเขาก็มีโทษถ้า<อ>ไปบอกเนึ่ยก็ไม่เข้าใจหรอกเหนื่อยตายเหนื่อยตายนะเป <c oughs> ็นอย่างนั้นจริงจริงเหนื่อยโอ้ฉันบอกมาจนปากคอจะฉิดเห <c oughs> นื่อยมากเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยกต่ตายกันทุกคนคนคิดเองม่เน เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวก็ตายกันทุกคนกคนี่ทำชั่วยอยู่เลยนี่นเพลินอยู่เลยจะไปเห็นได้ไงได้ไงมึนจัดแล้วมึงจัดแล้วแต่เห็นจริงๆยังคนละเรื่องเลยในคะำว่าเห็นว่าเพจะคารอเ้ว มันจะระมัดระวังมากทําร่างกายแข็งแรงก็ต้องมีสติเป็นญาณในการอยู่พับผ้าเก็บของมันเก็บของแบบรอตายอ่ะพับผ้าพับผ้าเก็บของเข้าห้องน้ําทําในเช็ดกวาดให้เรียบร้อยมันรู้ว่าเดี๋ยวขึ้ทุกอิริยาบถจะได้เราเราตายแล้วมันจะได้ตายอย่างเขาตายอย่างนี้คนไม่ตําหนิ คนนี้ตายแบบโมหะแท้ตายแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างเงี้ยปุกษาเข้ามาในพระตัตตนาตรัยแล้วยังไม่รู้อีกไปหน้าที่ไหนเก็บปัดกวาดเรียบร้อยดูแลทํากิจกรรมของตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าเราใกล้แล้วเราเราเร า, เราคือนักโทษประหารเราคือนักโทษประหารบอกพ่อยิ่งเรียนรู้อะไรที่จะเป็นหลักกานยิ่งตั้งใจใหญ่เลยอะเพราะเรานักโทษ เราถูกประหารชีวิตแล้วมันมันยมันจะคิดตลอดเวลาเราถูกประหารชีวิตแล้วนะเราจ่อคิวเราเรอคิวอยู่เราไม่รู้เลยว่าจะถูกล็อกตัวเข้าหลักประหารเมื่อไหร่เดินวนๆมั น, นอยู่นี่แล้วเดี๋ยถ้าอย่างเนี้จะถ้าอย่างเนี้ยมันจะเห็นชัดถึงจะเข้าใจอย่างคนมันไม่เห็นไอ้ตรงเนี้ยพูดทับายมันเห็นยากยังไงตรงนี้ มันเห็นแบบเหมือนท่านได้ว่าสัญญาอมันเป็นอย่างนั้นแ ต, แต่สะดุ้งสะเทือนไหมไมอันนี้ไม่เห็นอ้ น, นี่เขาเรียกไม่เห็นบางทีเราต้องให้ไปมีคนมาประกาศจะจับเราไปฆ่าจริงๆอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ให้เรากินอาหารมื้อสุดท้ายจริงๆเราต้องต้องการแบบนั้นไหม ตรงนั้นถึงจะคิดได้ใช่ไหมโดยอัถามันประกาศหมดเลยมันบอกเราหมดแล้ ว, ลวโอ้โหโภชนประหาร สัญญาจำไว้เจอใครก็นักโทษประหารนักโทษประหารนักโทษประหารนัโทษประหาเจอเราคือเรานักโทษประหารใส่ความจำบ่อยๆแค่วันสองวันแค่นั้นเห็นใครเป็นนักโทษประหารหมดเห็นหมดเลย ไม่ดูตัวเองเนื้อก็จะทํากิจทุกวันโดยไม่กังวลอะไรควรบอกก็บอกอะไรควรทําก็ทํา ท, ทําทันทีไม่รอไม่ผัดวันประกันพรุ่งพรุ่งนี้ค่อยทําจะไม่มีทําเคลียร์ตัวเองทุกวันเคลียร์ตัวเองทุกวันเคลียร์ตัวเองแล้วข้ามันขีดขึ้นนะไม่ไปเคลียร์ทุกวันเคลียร์ทุกชั่วโมงเลยเล้วทุกสามสิบนาทีแล้วทุกสิบนาทีทาทเคลียร์ทุกขณะเลยมันไล่ามาแบบนี้ มันค่อยๆไล่มาแบบนี้นะครับนักเตะทุกขนาดเดินออกจากตรงนี้โอเคเราไม่ได้ติดค้างอะไรแล้วเราไม่ติดข้างอะไรกับใครมันจะเป็นยังไงไอสิ่งที่ควรบอกก็บอกแล้วสิ่งที่ควรทําก็ทำาำแล้วสิ่งที่ควรพูดก็พูดสิ่งที่ควรคิดก็คิดแล้วเราไม่ได้ติดข้างอะไรกับใครแล้วเนาะแต่ว่าเราก็วางแผนชีวิตไว้ตั้งแต่ย่างนึงแต่ถ้าเพชฌฆาดยังไม่ฆ่าเราเราก็จะทําตรงนั้นให้เสร็จแต่เราตั้งใจตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี้ย มันมีสองชั้นชั้นหนึ่งก็คือเคลียทุกขนาดอีกชั้นหนึ่งวางเป้าหมายชที่จะทำอะไรในโลกใบนี้มันทำอย่างนี้เนี่ยเป็นแบ <c oughs> คนที่จะปฏิบัติทําได้ประสบความสำเร็จความตายจออยู่ที่จอที่มวยผมเกาะอยู่ที่หัวเราตลอดถ้าเห็นความตาย คอยจ้องไปจาคาดคอยจ้องเอามีดจอที่ศีรษะเราจอที่คอหอยเราตลอดพวกนี้ปฏิบัติทำบรรลุมีการบรรลุ เนีเข้าการจะแย่งหาความรู้ว่าแคบลงโลกโลกเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่เลยเพราะมันจะไม่เกื้อกูเลเองมันจะเริ่มปิดออกปิดนะมันไปรู้เพื่อจะเป็นประโยชน์ที่เราจะใช้เท่านั้นเองเนี่เข้ามันจะแคบลงหรือไม่อย่างนั้นบางทีเราอยากจะเกื้อกูลคนอื่นหน่อยเขาไปรู้ไปศึกษาหรือเขาไปได้พูดให้เข้าเข้าใจมันมีแค่นั้นเดอง อเออป็ น, นี้หรือถ้าหากว่ามีความจําเป็นต้องรู้ก็รู้ด้วยความไม่ประมาทวิชาการต่างๆที่เราจะรู้เออมันมันกลับกลายเป็นอย่างนีน้แต่ก่อนมันรู้แบบเมาเหมัรู้อย่างเพลินแต่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันรู้เพราะเห็นความจําเป็น มองเห็นเนี่ยเห็นยังไงเห็นว่าเราไม่เราไม่ใส่ใจที่จะมนุษย์การความจริงที่เคยเห็นแล้วให้มันแข็งแรงเพราะว่าเวลาที่เห็นอย่างนี้แข็งแรงเนี่ยมันไม่ต้องพยายามที่จะติดบาปทุกอิริยาบถมันเป็นไปเองด้วยความเข้าใจอย่างนี้เนี่ย เมตตามันเกิดจริงก็ินนามันเกิดจริง hmm. ความความเคลื่อนไหวในทุกย่างก้าวเวลาที่เราเห็นรู้สึกว่าความตายมนจอดตรนี้และที่เห็นอันนี้แล้วมันไม่ต้องคิดจะติดบัมันไม่ทำมันมันคิดแต่ว่าทุกนาทีมันมีค่าที่เราจะเจริญกุศลได้ติดต่อและต่อเนื่องยังไงแล้วลมันต่อเีื่ันได้มันเห็นตรงนั้นมันมัน มันเหมือน <c oughs> มันเหมือนเห็นตัวเองดำเนินชีวิต <c oughs> แต่มันไม่อยาบแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยฉันมองตัวนี้มันไม่ชัดอ่ะฉันเอ๊ะทำไรความจริงพุทธดําหลัดเป็นแบบนี้ทําไมเราไม่เห็นความจริงพองนี้สแสดงว่า เราไปสัมพันธ์กับเรื่องนี้ไปคิดในเรื่องนี้ด้วยด้วยความไม่ถูกต้องแน่นอนคิดย่านี้นะคเดีาจะเริ่มมานักสิการแบบนี้ใช่ความจริงเป็นแบบนี้ไหมเอาจริงมันเห็นเนี่ยเป็นยังพอใส่ใจลงไปใส่ใจลงไปนี่เป็จริงโอ้โหมันรอดมาได้แต่ละขณะของชีวิตแต่ละขณะของชีวิต ที่พอไปป่วยเขาอืเืเห็นเลยเห็นชัดเลยเอะ่ะยาที่เขาใส่เข้าไปอะไรที่เขาใส่เข้าไปที่ผ่าตัดโอ้โหชีวิตวาดเสียงแล้วพวกหมอพวกยาบาลที่อยู่ความบาดเสียว<ล>ไม่เคยรู้เลยอะ่ะ <c oughs> แล้วมาบอกความมั่นใจเราอย่างนู้นงนี้เพราะนั่นเขาพอเป็นหนัหนกๆเขาหมอหมอเริ่มไม่พูดความจริง เรื่อเรมไม่ไม่ไม่มั่นใจพอกหมอเองมึง ไ, ไม่รู้องค์ประกอบทั้งหมดผ่าตัดผิดพลาดบางในโดนเยอะเหมือนเด้เนี่ยหลายคนไปกรอดหมอคนอเลย<ม>ฉันก็ยิ้ม้มากนั่นเวลาไปรักษาอะไรทั้งหลายเลยนี่น้นีองเห็นเนี่ยไม่ไต่ทด้ทำฟันเนี่ย ฉันยังเห็นมรณภัยมันเลยนะหินมรณภัยขนาดแล้วเขาทําฟันกินยาแต่ละแมเข้าไ ป, ไ ก, ไปนะกินอาหารแต่และนั่นเนี่ยฉันเห็นมรณภัยมันเลยเนะี่ยคือมันรู้ไม่ครบรู้องค์ประกอบไม่หมดหรอกไอ้ส่วนหนึ่งไปทําลายส่วนหนึ่งไม่ดูแลความไม่ฉลาดความไม่รู้ว่าปริมาณทีค่ควรเป็นแค่ไหนอย่างไรวิตามินแค่ไหนอย่างไรเราไม่เคยสามารถรู้องค์ประกอบทั้งหมดได้เพราะเราเร า, าปัญญาไม่พอ จริงไหแล้ว <c oughs> บางทีเราเอาความเชื่ อ, อไปฝากไว้กับใครเท่านั้เขาบอกเป็นวิตามินนั่นวิตามินนี้ว่องค์ประกอบอย่างนั้นเราไม่เคยเปนั่งวิจัยเองจริงๆหรอกก็ต้องมาคอยสังเกตร่างกายสังเกตตัวตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นตัวนี้เป็นนี้วันนี้มันปลอดโปลง่งเมื่อกินอาหารแบบนี้วันนี้กินอาหารแบบนี้ไม่ก็ปลอดโปร่งนั่งแบบนี้ทําแบบนี้คิดแบบนี้มันต้องไปรู้องค์ประกอบเฉพาะคนอเลยนะใช่ไหมล่ะขนาดนั้นเลยนะ มันต้องไปรู้ขนาดนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ยังไม่รู้เรื่องหรือเอา้าไปเรื่อยๆแต่ก่อนนี่ผอย่าไปรู้มันเลยกินกินกินไปขี้เกียจไปรู้มันรายละเอียดมันเยอะจัดอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้คิดอย่างนี้ไม่ได้มันต้องรู้มันบางทีมือทั้งมือปัญญาดับตลอดกาลเลยพอกินเข้าไปอาหารวงบงประเภทเนี่ย ชีททำมากไงก็ไม่ออกอดูสินะ่ะ เ, เ, เ, เห็นไหมว่าอาหารบางอย่างเนี่ยกินก็ไปได้โดยแต่กินเสร็จแล้วก็ไปนะั่งนอนคุดคู่อยู่นั่นแหละหมันมึนไงยังไม่รู้ตัวอีกก็หามอย่างมันเมาขนาดน่ะ <c oughs> ก็ยังใส่ร่างกายไปอยู่แล้โอ้โหขนาดนี้แล้บาปเกิดเท่าไหร่เราคำนวณไม่ได้โอ้โหทาสมุทัยยะสจานเนี่ยเสียเวลาไปทั้งสองสามชั่วโมง ก, กว่าที่อาหารนี้ย่อยกว่าสภาพจะกลับมายังเลย ความอยากแท้ๆความเป็นสัมพันธ์ด้วยความไม่ถูกต้องกับมันแท้ๆจริงมจริหรือบางทีเนี่ยเอ๊ะเราจะไปดูข่าวสารดูเลยเนี่ยก็ไปเสพตูมเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ฉลาดกับมันเนี่ยโอ้มันวนคิดอยู่นั่นแหละเนี่ยดีวความไม่รู้แท้ๆไปสัมพันธ์กับมันด้วยความยึดอยากนี่แหละเข่าใจ ไ, ไมไม่เข้าใจความจริง แต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องแล้วมันได้ปัญญาเกี่ยวข้องเลยมันได้ข้อมูลความรู้จะดูเคาะใครอะไรก็ว่ากันี่เป็นขนาดนะบอกอ๋อคำว่านักโทษมันเป็นอย่างนี้โอ้ยไม่เห็นเห็นเขาดิ้นเขาร้องนี่เพิ่เห็ น, นแต่ที่อาจารย์บอกว่าเราไปเยี่ยมเขา เขาคิดว่าเขาทุกติดอยู่ท้างในแต่เราก็ติดอยู่ในสารสัตว์เอันนั้นเวลาที่เข้าไปแล้วเวลาที่เราเดินอยู่ก่อนที่จะถึงท่อเนี่ยฉันมองยังไงก็ไม่เป็นคุกมองยังไงก็ไม่เป็นคุกคำว่าไม่เป็นคุกแบบโลกล้เขาฉันมองยังไงที่ไหนมันก็คือคุกมันนเเห็อารติยู่ที่ไหนก็คือคุก แต่ความรู้สึกไปมองว่าตอนนี้ฉันถูกกักก <ibles Laure en> <vo> ันมันก็โทุกขสิเดี๋ยวนี้ยมันมันคุกข้างนอกไม่พอมันคุกข้างในเลยมันกลายเป็นโอ้เราเราคิดแต่วันไหนเขออกมาได้เขารู้สึกเขาไม่ติดคุกไม่ติดคุกเขาก็ท่องไอ้สัญญาแท้ๆเห็นไหมเนี่ยสัญญาที่เขาไปไปมานัดสิการไว้แท้ๆติดคุกติดคุกประมาณทุกวันนี้เขาก็เฝ้าใจว่ะ ไปอยู่ที่ไหนมันก็มันก็เห็นหมดแล้วตอนนี้แต่ถ้าเราจําความรู้สึกอันนี้ให้ชัดเจนเราเห็นอูว่าความตายจอยมันมันทำให้เรามีความเคลียมันมีกำลังใจไอ้ตรงนี้ไงมันมีกำลังใจที่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราจ ประคองรักษาให้ใจเราติดอยู่กับภุศมได้เมื่อเราไม่รู้ว่ามันจะฟันฉับเมื่อไหร่มันจะมีพลังที่ทำให้เราไม่อยู่กับภูสมได้อันนี้มันเห็นชัดในตรงนี้สําคัญที่สุดตัวมนุษย์ส่วนใหญ่ที่มันไม่เห็นเพราะมันเพราะว่าจิตเขาฟุ้งซ่านมันต้อง <bonito> จุด ต่อมนสิการเรื่องนี้เลยแล้วเราเล่ามนสิการต่อนี้คิดเรื่องนี้เะาคิดเรื่องความตายต่อมแล้วไปนั่งวิจัยมันเห็นมันเห็นกระแสคิดที่มันติดอยู่กับความตายทุกขณะในความตายมันติดมันติดขันห้ามมันเช็ดออกไม่ได้เหมือนเห็ดก็มันพระเจ้าบอกเหมือนเห็ดที่แทงดินขึ้นมาแล้วดินมันติดหอเห็ดไว้ด้วยเป็นอะไรเห็น อันนี้มันกันเมื่อตราบใดกระแสชีวิตมีอยู่ความตายมันก็ติดอยู่ไอ้ความตายตัวนี้เพชค่าตัวนี้มันคอยจังหวะอยู่มันได้จังหวะเมื่อไหร่มันก็เล่นมันติดอยู่ทุกขณะมันติดอยู่ทุกขณะมันเหยีดมันดินติดหัวเหยียดเลอเป็นอย่างนั้นมันเช็ดออกไม่ได้มันคัดจัดออกไม่ได้ มันไม่ตายได้อย่างเดียวเท่านั้นคือนิพพานเป็นอมตะอมตะอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายถ้ายังไม่ได้นิพพานตายตายเรียบร้อยในสังสารวัฏโดนฆ่าอยู่เลยโดนฆ่าโดนฆ่าโดนเวลาเราไปอยู่ไปอยู่ในที่ไหน ความรู้มันจะเริ่มรู้ตัวเราเองว่าเราไปอยู่กับคนที่มีข้อมูลไม่เท่ากันมีกระบวนการความคิดอเห็นความจริงไม่เท่ากันบางคนเห็นความจริงความจริงมันมีรอบด้านในโลกใบนี้ในจักรวาลแต่บางคนไม่เห็นความจริงที่จรินอกนั้นก็ ไปสัมพันธ์กับโลกกับชีวิตอย่างไม่ถูกต้องเมื่อใช้ความเมื่อใช้ตัณหาไปสัมพันธ์เมื่อใช้ตัวอุปาทานเข้าไปสัมพันธ์เมื่อใช้ความเอาวิชาความไม่รู้เข้าไปสัมพันธ์ถามว่ามันมันเลยคนละขั้วเลยมันอยู่กับมันแต่ไม่รู้จักมันอยู่กับโลกแต่ไม่เข้าใจโลก อยู่กับโลกแ ต, ไกต่ไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงยังไงไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงอยู่กับความจริงที่มันปรากฏอยู่แต่ก็ไม่เห็นนี่มันน่ามันน่าทุกข์ใจมันน่าโอ้โหน่าสลดใจเ <c oughs> วลาเราจะบอกใครสักคนนี่ <c oughs> มันต้องไปเริ่มนับหนึ่งไปให้เรียนรู้เรื่องพ ย, ยัญนชนะ เรีนรู้เรื่องพยัญชนะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นแบบนี้นะเรามองโลกอย่างนี้นะแต่ความจริงของโลกเป็นอย่างนี้นะนี่อัดถาของมันเป็นอย่างนี้พยัญชนะเป็นอย่างนี้คนไปนเข้าใจอย่างนะี้โหยากมากเลยนะถ้าเราจะต่อจิ๊กซอให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาถึงพูดปุ๊บแล้วเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมจะบอกว่าเฮ้ยนักโทษทหารโอทุกคนเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรนะี โอ้โหมันต้องเรียนรู้กระบวนการของไตรักเรียนรูกร้กระบวนการของเ อ, อเรียนรู้ <c oughs> เรียนรู้พุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณแล้วก็มารู้กฎความจริงคือใจรักกฎความจริงคือปจจัยกฎความจริงคือสันธ์พอ ม, มารู้ความจริงอย่างนี้ไปเสร็จ ป, ปุ๊บเนี่ยมันไปนสัมพันธ์ตรงที่จากการเข้าถึงพระราชนะตรัยพระราชนตรัยทําให้เราเข้าถึงธรรม ถ้าเข้าถึงอริยสัจ ม, มาจาะภาละกันแล้วโอ้มันยึดโยงมาจดโน้นเลยนะตอนหน้านั้นก็พัลลานากันอยู่เถอทําไงจะให้นักถึงพุทธคุณพุทธคุณยังไงโอมันมง่ายๆเลยพอเข้าใจพุทธคุณแล้วพุทธคุณบอกยังไงพุทธคุณเห็นยังไงพุทธเจ้าเห็นอะไรพระเจ้ปาปรารถนาอะไรเชื่อมั่นพุทเจ้าไหมเ อ, อเชื่ อ, เ ช, อเชื่อมั่นพุทเจ้าฟังต่อฟังต่อให้เห็นอะไรเห็นความจริงเห็นสัจจะ เห็นสัจจะแล้วเข้าใจกิจของสัจจะไหมเข้าใจกิจของสัจจะแล้วลงมือทำได้ยังโวมต้องขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เข้าใจจริงแล้วมาพูดทำไม่ใช่เลยเนะียลงมือทำได้ยังลงมือฝึกฝนพัฒนาได้ยังมีตรงเพราะมองเห็น